ไม่รู้ว่าในลําดับต่อจากนี้เราจะต้องเจอกับอะไรอีกความว้าวุ่นของเราเนี่ยมันมีเยอะเวลาที่จะทําให้ใจมันสงบเนี่ยมันทํายากคือถ้าเราทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็แล้วแต่เราทําด้วยความว้าวุ่นใจเนี่ยจิตใจมันก็สงบได้ยาก เราทำด้วยความร้อนใจติดใจเราก็สงบได้ยากเช่นเดียวกันแล้กก็ทั้งสวดมนต์เราก็รีบสวดกล่าวคาอธิษฐานเราก็รีบกล่าวเวียนเทียนเราก็รีบเวียนมีมาฟังทรรมปุ๊บจะให้หลับตาลงให้ฟังทรรมอีกมันก็เป็นเรื่องที่ยากพอสมควรสำหรับญาติโยมที่เพิ่งมาใหม่และก็ญาติโยมที่มาเป็นประจา ก็จะรู้วิธีการปฏิบัติของทางวัดว่าทางวัดจะปฏิบัติกันยังไรเพราะนั้นก่อนที่ทุกคนจะนั่งหลับตาเพื่อฟังธรรมและก็ทำสมาธิให้เตรียมความพร้อมของตัวเองให้ดีเสียก่อนเพราะคนเรากว่าจะมีความพร้อมได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายคนเราเจอแต่ความวุ่นวายมาทั้งวันเจอแต่ความขุ่นข้องมองมัว เจอแต่ความขุนข้องมองใจมาทั้งวันจใจเรามาหลับตาแล้วก็ฟังธรรมเลยเป็นเรื่องที่ยากทําไมบอกว่าเป็นเรื่องที่ยากเพราะบางคนเนี่ยไม่เคยเข้าวัดเลยบางคนก็ไม่รู้เลยว่าฟังธรรมฟังเพื่ออะไรฟังแล้วได้อะไรบางคนก็ยังไม่เคยถือศีลเลยก็มีบางคนยังไม่รู้เลยว่าศีลแปดเป็นยังไงถือศีลแล้วต้องปฏิบัติยังไง บางคนก็ยังไม่รู้เลยมาวัดมาเพื่ออะไรบางคนคิดว่าเขาชวนมาเราก็อยากมากับเขาเขามาเวียนเทียนเราก็อยากมาเวียนเทียนเขามาฟังธรรมเราก็อยากมาฟังธรรมเพราะนั้นก่อนที่เราจะหลับตาลงทาสมาธิเนี่ยก็พยายามสำรวจกายสำรวจใจตัวเองให้ดีก่อนเราคิดว่ากายเราพร้อมหรือยัง บางคนเนี่ยยังปวดขาอยู่เลยยังเมื่อยอยู่เลยจะให้หลับตาลงแล้วเขาฟังธรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากอย่างที่ได้บอกไว้ในเบื้องตน้นบางคนแทบจะเอาขาพาดคอคนข้างๆไปแล้วเพราะมันเมื่อยมันปวดเสเหลือเกินสังขารที่เราแบกมันทุกวันเนี่ยเราเหนื่อยกับมันมหาศาลเลยเราต้องใช้เราต้องชดใช้ชีวิตตัวเองเนี่ย ก็มากมายพอสมควรในแต่ละวันโดยที่เรายังไม่ได้ชดใช้ชีวิตให้กับผู้อื่นแค่ชีวิตเราเองเนี่ยวันหนึ่งวันหนึ่งเราพิจารณาให้ดีว่าเราใช้สังขารเราไปทำอะไรบ้างเราต้องพิจารณาก่อนก่อนที่เราจะสร้างสิ่งดีๆให้กับตัวเราเองเมื่อเราพร้อมแล้วก็ค่อยๆหลับตาลงหลับตาลงช้าๆอย่าไปรีบอย่าไปเร่งมัน หลับตาลงแล้วเราจะระลึกถึงอะไรหลับตาแล้วเราจะนึกอย่างไรในขณะที่เราหลับตาลงบางทีเราคิดว่าเขานั่งหลับตาเราก็หลับตาเขาให้หายใจเข้าพุทเราก็หายใจเข้าพุทตามเขาเขาหายใจออกโทรเราก็หายใจออกโทตามเขาแต่เราไม่มีสติเป็นตัวกำหนดว่าเราจะกำหนดใจเรายัางไงกำหนดกายของเรายัางไงให้มันสงบ ให้มันอยู่กับที่ให้มันอนิ่งนิ่งให้มันอยู่เฉยเฉยเราต้องค่อยๆสำรวจกายตรวจกายเราให้ดีๆสำรวจกายเราให้ดีๆว่าในวันนี้เนี่ยไอ้กายของเราที่เราได้เด็ดเนมาทั้งวันเนี่ยเราสร้างบุญสร้างกุศลมากกว่าหรือเราสร้างสิ่งไม่เป็นบุญไม่มีกุศลไม่เป็นกุศลมากกว่าเราต้องพิจารณา เพราะชีวิตของคนเราที่เกิดมาเนี่ยเกิดมาเพราะอะไรเกิดมาเพราะกรรมกรรมคือการกระทำของผู้ที่เป็นพ่อของผู้ที่เป็นแม่จึงทำให้เกิดเป็นเราออกมาเมื่อเกิดเป็นเราออกมาเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าชีวิตมันคืออะไรใครรู้ไหมใครเข้าใจไม่ว่า ไอ้คำตอบของชีวิตที่เราพยายามถามอยู่ทุกวันเนี่ยชีวิตมันคืออะไรอะไรคือชีวิตของเราความต้องการก็คือชีวิตเราความอยากได้เราคือชีวิตของเราความอยากมีสิ่งนั้นอยากมีสิ่งนี้ก็คือชีวิตของเราความอยากสวยความอยากรอความขี้เละหรือว่าความไม่สวยงามอะไรคือชีวิตของเราอะไรคือคํากรอบที่แท้จริงของชีวิตเรารู้หรือยัง เราก็ยังไม่เข้าใจชีวิตเราดีพอเลยเรายังไม่รู้ที่ไปที่มาของชีวิตเราเลยว่าชีวิตเราเกิดมาเพื่ออะไรแล้วชีวิตเราจะดำเนินต่อไปเพื่ออะไรสิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่าคิดกว่าชีวิตเราเกิดมาเพราะกรรมที่บอกก็อย่างเบื้องตน้นแต่ชีวิตทุกชีวิตเนี่ยใช้ชีวิตโดยการไม่รู้ไม่รู้ว่าชีวิต คืออะไรชีวิตเป็นอย่างไรเกิดมาชีวิตนี่ก็อยากมีบ้านอยากมีครอบครัว <c oughs> อยากมีรถอยากมีที่ดินอยากมีเงินอยากมีทองนี่เลอชีวิตของเราชีวิตที่อยู่กับการปรุงแต่งมาตลอดทั้งชีวิตของเราเนี่ยเราปรุงแต่งทั้งวันปรุงแต่งในสิ่งนั้นปรุงแต่งในสิ่งนี้แต่เราไม่ได้ดู ในสภาวะกายและสภาวะใจของเราว่าชีวิตเราเป็นเช่นนั้นจริงหรือชีวิตเราเป็นเช่นนั้นจริงหรือเปล่ามีกรรมที่เป็นตัวกาหนดเราต้องพิจารณาว่ามีสิ่งใดเป็นตัวเราสิ่งใดเป็นตัวกาหนดเราลองคิดดูว่าอะไรเป็นสิ่งเล้าให้อารมณ์เราเกิดอะไรเป็นสิ่งที่กาหนดให้ความรู้สึกเราเกิด อะไรเป็นตัวกาหนดให้ความอยากเราเกิด <c oughs> เมื่อกรมันเกิดเนี่ยความโลภมันก็เริ่มทาหน้าที่ของมันความโกรธก็เริ่มทาหน้าที่ของมันความหลงก็เริ่มทาหน้าที่ของมันเมื่อความโลภความโกรธความหลงเนี่ยทำหน้าที่พร้อมกันเนี่ยมันก็เริ่มทําลายใจเราล้ะ แ, และถ้าเราไม่มีสติคิด เราไม่มีปัญญารู้ในชีวิตของตัวเองเนี่ยเราก็จะไม่เข้าใจว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ทุกวันเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะคนอื่นหรือว่าเป็นเพราะตัวเองคนเราทุกคนเนี่ยมักจะมองคนข้างๆมักจะมองคนอื่นแต่จะไม่มองตัวเองไม่พิจารณาตัวเองไม่รู้ตัวเองว่า สิ่งที่ตนเองกำลังทาอยู่ในขณะนี้เนี่ยเราทำแล้วเราจะได้อะไรเราจะไปนั่งมองคนข้างๆเพื่อประโยชน์อันใดเล่าทำไมเราไม่ถามเราไปนั่งมองคนข้างๆว่าทำไมเขามาแล้วเขาถึงไม่สวดมนต์มาแล้วทำไมเขาถึงไม่นั่งสมาธิมาแล้วทำไมเขาถึงไม่ฟังธรรมเราอย่าไปมองให้มองตัวเองไว้ให้มากที่สุด เราไปมองคนอื่นมากเราก็เสียมากเราไปนินทาคนอื่นมากเราก็เสียมากเราไปตำหนิคนนั้นไปตำหนิคนนี้เราก็เสียมากเช่นเดียวกันเรามาถือสินแล้วเราจะไม่ได้อะไรเลยเราต้องดูที่เจตนาของเราต้องดูที่เหตุและผลของเราว่าเราจะมาวัดเพื่ออะไรมาวัดแล้วเราจะได้อะไรมาวัดแล้วเราจะทำอะไรได้บ้าง ให้มันเกิดสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับวัดและเกิดขึ้นกับตัวเราเองเพราะฉะนั้นถ้าผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมจะพิจารณาอย่างละเอียดต้องพิจารณาตัวเองให้มากๆเราอย่าไปมองเลยบุคคลคนที่อยู่ข้างๆเราหรือบุคคลที่เราเนี่ยไม่รักไม่ชอบบุคคลที่เราลังเกียจ มันก็สามารถทำให้ใจเราเนี่ยปรุงแต่งคิดไปต่างๆนา น, นานเขาเป็นอย่างนั้นเขาเป็นอย่างนี้เขาเป็นคนไม่ดีเขาเป็นคนพูดจาไม่ไพเราะเขาพูดจาไม่น่าฟังแต่เราดูตัวเราหรื อ, อยังว่าสิ่งที่เรากําลังคิดสิ่งที่เรากําลังพิจารณาสิ่งที่เรากําลังใล่องอยู่มันถูกหรือมันผิดคนที่มาอยู่วัดเนี่ย ได้สิ่งที่เราทำเป็นบุญก็มีแล้วก็ได้สิ่งที่เราทำแล้วไม่เป็นบุญก็มีสิ่งที่เราทำที่มันเกิดขึ้นในแต่ละครั้งในแต่ละครั้งเนี่ยเรียกว่าบุญแล้วก็กุศลเลือกอย่างคืออกุศลและสิ่งที่ไม่เป็นบุญแล้วเราจะเลือกอะไรอย่างวันนี้เป็นวัน สาระฮาบูชาเป็นวันที่องค์สมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงธรรมจักกัปปวัตตนสูตรให้กับพระภิกษุได้ฟังธรรมจักกัปปวัตตนสูตรที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงไว้ก็แสดงในเรื่องของความทุกข์ก็คืออริยสัจสี่แล้วก็มักมีองค์แปดไอคําว่ามักมีองค์แปดเนี่ย มันเปรียบเสมือนล้อธรรมจักรล้อเปรียบเสมือนล้อเวียนธรรมจักรล้อเวียน8ซี่แต่ละซี่ก็คือมรคหนึ่งองค์จนมีทั้งหมด8ซี่ก็คือมรคมีองค์8อย่างที่องค์สมมาสัมพุทธเจ้าได้ตัดเอาไว้แต่ทำที่องค์สมมาสัมพุทธเจ้าได้ตัดสรู้ในอริยสัจสีก็คือทุกข์สมุ ท, ทยัยแล้วก็นิโรธแล้วก็มรค แล้วเราก็ต้องคิดเราต้องพิจารณาว่ารำที่องค์สมมาสัพพุทธเจ้าตัดสูนสรร้นเนี่ยแค่ทำสี่อย่างสามสี่ประการเนี่ยองค์สมมาสัพพุทธเจ้าต้องใช้เวลาบําเพ็ญเพียบบรบําเพ็ญบารมียาวนานขนาดไหนจึงจะตัสรู้อริยสัจสี่องค์สมมาสัมพุทธเจ้าได้พิจารณาธรรมแล้วก็เห็นธรรม และก็รู้ในธรรมเข้าใจในธรรมที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตัดสรู้ว่าความทุกข์มันเกิดขึ้นเพราะอะไรความทุกข์มันเกิดขึ้นเพราะอะไรเกิดขึ้นเพราะตัณหาเกิดขึ้นเพราะอุปท า, านตัณหาคือความทยานอยากอุปท า, านคือสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราปรุงแต่งขึ้นมาเอง สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นโดยที่เราปรุงแต่งขึ้นมาอยู่ดีๆเรามีความรู้สึกขึ้นมาเราคิดว่าคนนั้นไม่ชอบเราคิดว่าคนนี้เราเกลียดเราคิดว่าคนนี้เขาไม่ถูกกับเรานี่คืออุปท า, านอุปท า, านที่เราคิดขึ้นมาเองปรุงแต่งขึ้นมาเององค์สัมมาสัรรมพุทธเจ้าเขาเช่นเดียวกัน องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยได้พิจารณาแล้วได้เห็นในธรรมเห็นธรรมในธรรมและเห็นกายในกายเห็นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเนี่ยองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าได้พิจารณาอย่างละเอียดถึงจะตัดรู้ธรรมได้แล้วเราเนี่ยเป็นบุคคลธรรมดาขว่าเราจะรู้ธรรมขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยสักข้อหนึ่งสักประโยคหนึ่ง สักคำหนึ่งมันก็ยากเหลือเกินบางครั้งเราไม่คิดว่าธรรมขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยจะมีคุณมากมายถึงขนาดนั้นแต่ถ้าเราไม่เห็นธรรมขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็เปรียบเสมือนเราเนี่ยไม่น่าจะเป็นชาวพุทธ ก็ดูหมิ่นในภาพปัญญาคุณขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าดูหมินในภาพปัญญาขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตัดสรุธรรมในแต่ละธรรมที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตัดสรัรุทุกเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ได้ อธิบายแล้วก็ขยายความขยายเนื้อหาว่าคุกก็คือสภาพที่ทนได้ยากสภาพที่ทนได้ยากในขณะนี้คืออะไรขณะที่เราหลับตาสัมมาทิสเนี่ยสภาวะทุกข์ที่มันเกิดขึ้นก็คือความปวดความเมื่อยความร้อนความหนาวความสัมผัสถูกต้องสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยได้ผ่านมาทั้งหมดแล้วองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยได้สัมผัสมาทั้งหมด และก็รู้ทั้งหมดว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นสภาวะทุกข์มันเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะตัณหาอุปทานสิ่งที่มันปรุงแต่งมันจึงเกิดขึ้นมานั่นคือสภาวะทุกข์เราทนน้ยากเพราะอะไรเพราะเราไม่เคยฝึกเราไม่เคยปฏิบัติเราเมื่อเดียวเราต้องขยับขาเราปวดเดียวเราต้องขยับเราลน้นเราทนไม่ไหวเดียวเราต้องก็หาช่องทางที่จะ ขยับขยายที่เพื่อให้มันคลายจากสภาวะทุกข์ที่มันเกิดขึ้นนั่นเองส่วนสมุทยคืออะไรสมุทยคือเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์เหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ก็อย่างที่ได้บอกไปในเบื้องต้นว่าตัณหาและอุปาทานที่ทำให้เกิดทุกข์ถ้าเรารู้เหตุ ว่าเหตุเนี่ยเกิดขึ้นเพราะอะไรเกิดขึ้นเพราะจิตเราปรุงแต่งเพราะใจเราปรุงแต่งทั้งสิ้นถ้าใจเราไม่ปรุงแต่งจิตเราไม่ปรุงแต่งเนี่ยคว า, ามต้องการเราก็ไม่เกิดทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดับไปโดยปริยายเราลองคิดว่าทำที่องค์สมบัสัมพุทธเจ้าได้จัดสรู้เนี่ยต้องใช้เวลานานขนาดไหนวินโรด ไปก็คือนิโรดนิโรดก็คือหนทางดับทุกของค์สมมาสัมพุทธเจ้าได้พิจารณาเห็นแล้วว่าหนทางดับทุกคืออะไรหนทางดับทุกขหนทางพ้นทุกก็คือมักมีองแปดนั่นเองมักมีองแปดนั้นคืออะไรบ้างที่องสมมาสัมพุทธเจ้าได้ตัดเอาไว้มีลาบก็เสื่อมลาบมียศก็เสื่อมยศมีสุขก็มีทุกมีสรรเสริญก็มีดินฐาน ที่องสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เห็นทำทั้งหมดในมรรคมีองแปดเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็จะต้องเสื่อมสลายไปในที่สุดเรายึดอะไรไม่ได้ทั้งนั้นเลยแล้วก็ทำที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตัดสรู้แล้วนั้นเนี่ยขอให้พระพิสุได้ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า รวมไปถึงอุบาสกอุบาสิกาผู้ที่เข้าวัดมาถือศีลและก็ปฏิบัติธรรมเช่นเดียวกันบางครั้งเราฟังดูเหมือนมันยากเสลือเกินทำไมเราไม่เข้าใจถึงธรรมขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเราอยากไปโทษใคร เราต้องโทษตัวเองเราต้องด่าตัวเองว่าเรามันโง่เราไม่มีสติปัญญาทำไมเราไม่รู้ในธรรมขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าทำเราทำไมเราคิดไม่ได้ทำไมเราถึงนึกไม่ออกทำไมเราตีไม่แตกเราแยกไม่ออกถ้าเราตีแตกเนี่ยเรามีสติเรามีปัญญาเราก็ตีแตกแล้วเราก็แยกออก เมื่อเราไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยเราก็จะไม่ได้อะไรคำว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าตัวเราเนี่ยคืออะไรชีวิตเราคืออะไรชีวิตเราเกิดมาเพื่ออะไรอย่างที่ได้บอกในเบื้องต้นเพราะเกิดมาด้วยความไม่รู้เราไม่รู้เลยว่าเราเกิดมาแล้วเนี่ยเราจะอยู่ยังไง เราจะใช้ชีวิตยังไงเราจะดำเนินชีวิตต่อไปยังไงไอนี่ความไม่รู้ที่เราต้องเกิดมาเราก็ยังไม่รู้อีกต่อไปเราจะตายยังไงจะตายแบบไหนจะตายเมื่อไหร่ดูลองพิจารณาดูว่าชีวิตเกิดมาเพราะอะไรเราเกิดมาเพราะความไม่รู้ทั้งนั้นเลยไม่รู้ในสิ่งนั้นไม่รู้ในสิ่งนี้จนไม่รู้ในตัวเองไม่รู้กายตัวเองไม่รู้ใจตัวเองว่าที่กายต้องเป็นอย่างนี้เพราะอะไร เพราะเราทําตัวเองที่ใจเป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะเราทําตัวเองทั้งนั้นเลยเราจะไปโทษคนนั้นอย่าไปโทษคนนี้เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันถึงเวลาของมันทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะส่งผลให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราทุกคนเกิดมาเพราะการกระทําจากกรรมของพ่อของแม่แล้วเราลงคิดดูว่าแล้วเมื่อไหร่ล่ะ กรรมที่เราเกิดมาแล้วมันจะหมดกรรมไม่ได้ส่งผลในภพนี้ชาตินี้ตรเนี่ยอาจจะส่งผมในภพหน้ากรรมอาจจะส่งผมในภพต่อไปในขณะที่กรรมนั้นยังไม่หมดในขณะที่กรรมนั้นยังมาไม่ถึงเราอย่าพึ่งดีใจไปเราอย่าพึ่งเสียใจไปเราอย่าพึ่งคิด ไปก่อนว่าต่อไปเราจะเจอกับอะไรชีวิตเราจะต้องจะตกอยู่ในสภาวะแบบไหนเราอย่าเพิ่งไปคิดให้เราอยู่กับปัจจุบันพิจารณาปัจจุบันให้เห็นปัจจุบันให้มากที่สุดสิ่งที่อยู่กับปัจจุบันทำไมองค์สมมาสัมพุทธเจ้าให้พิจารณาในปัจจุบันในปัจจุบันเนี่ยชีวิตของคนเราเนี่ยจะรู้ดีที่สุดและจะเห็นชัดที่สุด เพราะเรากําลังทำอยู่นี่คือปัจจุบันสิ่งไหนที่เราทำแล้วผ่านมาแล้วคืออดีตซึ่งอาจจะย้อนไปแล้วก็อาจจะจำได้บ้างจำไม่ได้บ้างแล้วก็อาจจะจำไม่หมดแล้วก็จำไม่ได้เลยก็มีสิ่งที่มันเป็นอดีตองค์สมมาสมพุทธเจ้าไม่ให้จำให้อยู่กับปัจจุบัน สิ่งที่อยู่กับปัจจุบันเห็นได้ชัดที่สุดเพราะเรากำลังกระทําอยู่ให้เข้าใจอย่างนี้แล้วอนาคตก็เช่นเดียวกันมันยังมาไม่ถึงอย่าเพึ่งไปคิดอย่าพิ่งไปปรุงแต่งอย่าเพิ่งไปจินตนาการเราอย่าเพิ่งไปคิดว่าโอ้ยต่อไปในอนาคตเราต้องมีบ้านเราต้องมีรถเราต้องมีเงินเราต้องมีทอง เราต้องมีบริวารมากมายหลายร้อยหลา ย, ลา ย, ลายพันอย่าเพิ่งไปคิดเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในอนาคตเนี่ยองสมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่ให้คาดคะเนหรือว่าเดาเอาเองเพราะมันเป็นความที่ไม่จริงเป็นสิ่งที่หลอกลวงสภาวะจิตของเราเป็นสิ่งที่หลอกลวงสภาวะใจของเราที่มันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา เพราะนั้นปัจจุบันเนี่ยสำคัญที่สุดให้เรารู้วันต่อวันว่าชีวิตวันนี้เราจะทำอะไรชีวิตวันนี้เราจะทำอะไรให้ผ่านไปหนึ่งวันเราจะทำอะไรได้บ้างชีวิตวันนี้เราจะมีแรงทำมันได้ทั้งวันไหมเราจะทำมันได้แค่ไหนวันนี้ชีวิตของเราเนี่ยกาลังที่เราเหลืออยู่ในขณะนี้เราจะใช้กําลังที่มีอยู่ไปทำอะไรได้บ้าง นี่คือปัจจุบันที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าให้พิจารณาพิจารณาในสภาวะความเป็นจริงให้เห็นความเป็นจริงในขณะที่เรากำลังทำอยู่นี่คือปัจจุบันนี่คือสิ่งที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าให้พิจารณานั่นเองแต่ถ้าเราไม่พิจารณาเราไม่มองให้ละเอียดเราจะไม่เข้าใจเลยว่า ปัจจุบันที่เราอยู่นี้เนี่ยเราทำแล้วเราได้อะไรบ้างเราทำแล้วเรารู้อะไรบ้างเราทำแล้วเราเห็นอะไรบ้างเราต้องบอกกับตัวเองต้องพูดกับตัวเองต้องคุยกับตัวเองบ่อยๆว่าชีวิตที่เหลืออยู่นี้เราต้องการอะไรถามกับตัวเองอยู่เป็นประจำว่าเราทำแล้วเราอยากได้อะไรทำแล้วเรา ทำแล้วเราจะทำไปไหนทำแล้วเราจะเก็บไว้ทำอะไรทำแล้วเราจะเอาไปให้ใครถามตัวเองดูทำแล้วสิ่งดีๆเนี่ยเราจะเก็บไปไว้ตรงไหนแล้วก็ถามเอาถามใจตัวเองพยายามถามตัวเองบ่อยๆเพราะเราดิ้นหนมาทั้งชีวิตเนี่ยสุดท้ายชีวิตที่เราดิ้นหลนมาเราสาแสะวงหาทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะ ให้มาเป็นของเราเพื่อที่เราจะครอบครองเป็นเจ้าของแต่สุดท้ายแล้วชีวิตทุกคนครอบครองอะไรไม่ได้เลยแม้กระทั่งกายของตัวเองก็ครอบครองไว้ไม่ได้แม้กระทั่งจิตใจของตัวเองก็ครอบครองไว้ไม่ได้แม้กระทั่งครอบครัวแม้กระทั่งคู่รักแก้แหวนหินทองเราก็ครอบครองอะไรไว้ไม่ได้เลยเพราะนั้นเรามีชีวิตเราก็ต้องอยา่าอย่าท้อกับชีวิตเราต้องต้องใช้ชีวิตสู้ต่อไป เราไม่รู้ว่าอนาคตเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นกับเราเราอยากอยากไปรู้เลยเรารู้ว่าวันนี้เนี่ยปัจจุบันขณะนี้เนี่ยเราได้สร้างคุศลให้กับตัวเองแล้วเราได้มาวัดแล้ววันนี้ มาถึงวัดล้ก็ตรงอยังความภูมิใจก็ทำใจให้เป็นบุญเป็นกุศลให้เกิดขึ้นภายในจิตของเราก็เราลองคิดเราลองพิจรารณาทำให้ใจมันสว่างทำให้ใจมันได้เปิดขึ้นมาบา้างเพราะใจเราเหมือนถูกปิดอยู่ตลอดเวลาถูกความมืดครอบงำไว้ปิดไว้ คุมไม่ให้ใจเรามีแสงสว่างเลยใจของคนเราเลยมืดบอดกันอยู่จนไม่รู้ว่าแสงสว่างเนี่ยมันอยู่ตรงไหนแม้กระทั่งเราลองคิดว่าคนสมัยก่อนเนี่ยไฟฟ้าก็ไม่มีตะเกียงก็ไม่มีแต่จิตใจของคนเนี่ยสว่างแต่ทุกวันนี้มีไฟฟ้ามีแสงสว่างแต่จิตใจของทุกคนเนี่ยมืดมืดบอดมองไม่เห็นซึ่งกันและกัน ก็มีแต่ความเห็นแก่ตัวมีแต่ความแก่งแย่งชิงดีมีแต่อยากได้อยากมีอยากเป็นอยากเด่นอยากดังอยากไปหมดเลยสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ได้ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นแน่นอนถ้าเราเข้าใจในธรรมขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า จะทำให้ชีวิตเราดีไม่ได้แน่นอนถ้าเรามีความอยากจนมากเกินไปเรามีความสงสัยจนมากเกินไปเราปรุงแต่งใจเรามากเกินไปไม่มีผลดีกับเราแน่นอนสิ่งที่จะเกิดผลดีให้กับเราคือเราต้องรักษากายรักษาใจของเราให้เรียบร้อยให้สงบให้สติอยู่กับตัวเราตลอดเวลาพยายามอย่าขาดสติให้รู้สติ โกรธก็ให้รู้ว่าโกรธโมโหก็ให้รู้ว่าโมโหไม่พอใจก็ให้เรารู้เกลียดก็ให้เรารู้ว่าเราเกลียดให้เรารู้เท่าทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ทุกขณะแล้วเราจะไม่ขาดทุนเราก็จะมีกําไรแต่เราต้องเข้าใจในสภาวะที่มันเกิดนะแล้วเราจะไม่ขาดทุนเลยถ้าเราไปตามใจมันโกรธแล้วก็ไปปรุงแต่งอีก ไปปรุงแต่งไปคิดไปนึกไปค้นหาคำตอบด้วยตัวเองมีแต่เสียกับเสียขาดทุนเราก็ไม่ได้อะไรเพราะในค่ำคืนนี้ก็ขอให้ญาติโยมเนี่ยก็พยายามตั้งใจ <c oughs> ก็เป็นการที่จะปรับปรับกายปรับใจตัวเองเพื่อที่จะ ได้นำไปประพฤติปฏิบัติต่อเราจะได้รู้ว่าสิ่งที่เราจะต้องทำเนี่ยมันคืออะไรบ้างสิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปเนี่ยเราจะต้องทำอะไรดีเราอย่าเห็นแก่คนในครอบครัวเราอย่าเห็นแต่ญาติพี่น้องเราจะเห็นคนที่เราชอบเราต้องเห็นแก่ทุกคน แต่ไม่ได้ให้เราเห็นแก่ตัวเราก็ต้องคิดว่าคนนี้คนนั้นก็คือญาติของเราทั้งหมดใครที่เข้ามาวัดเขาวิติสุกโตเนี่ยก็เปรียบเสมือนญาติกันทุกคนเปรียบเสมือนญาติธรรมแต่ทุกคนก็ต้องทาใจให้เข้มแข็งเข้ามาภายในวัดเนี่ยคำว่าวัดเนี่ยมั น, ม น, มนความหมายมันกว้างกว้างมากมายมหาศารเลยกว้างกว่า มหาสมุดทั้งสคำว่าวัดแล้วเราลงคิดตัวว่าเมื่อไหรเราวัดแล้วเราจะได้คำตอบ วัดยังไงเราถึงจะรู gained, purse, ้เข้ามาวัดเนี่ยสิ่งที่เราต้องมาเจอมาเจอเยอะแยะมากมายเรามาเจอในสิ่งที่ชอบใจสิ่งที่ไม่ชอบใจสิ่งที่ถูกใจสิ่งที่ไม่ถูกใจสิ่งที่เราอยากเห็นสิ่งที่เราไม่อยากเห็นสิ่งที่เราอยากเจอและสิ่งที่เราไม่อยากเจอเนี่ยเข้ามาวัดเราต้องเจอแน่ๆเราเจอแล้วเราจะหักห้ามใจตัวเองว่าอย่างไร ูประพฤติปฏิบัติก็เช่นเดียวกันเปรียบเสมือ น, นชีวิตเราเนี่ยลอยอยู่กลางทะเลทะเลมันกว้างขนาดไหนหรือเราก็สแสวงหาไปเรื่อยส s e หาไปเรื่อยวัดนั้นดังไปวัดนั้นดีกว่าวัดนี้คนเยอะไปวัดนี้ดีกว่าวัดนี้หลวงพ่อขังไปวัดนี้ดีกว่า การปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันเปรียบเสมือ น, นเรากำลังงมเข็มอยู่ในมหาสมุทรปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเราก็งมกันไปเรื่อยเขาบอกที่นี่ดีเอ้ยไปที่นี่ดีกว่าไปงมดูก่อนเผื่อจะเจอเข็มที่นั่นดีเอาไปที่นั่นอีกไปงมที่วัดนั้นดีกว่าเผื่อจะเจอเข็มที่นี่ดีเอาไปที่นี่ดีกว่าเราต้องมีความมั่นใจ ถ้าเรามีความมั่นใจในการปฏิบัติของตัวเองไม่จําเป็นต้องไปไหนก็ได้อยู่ที่บ้านก็ได้ปฏิบัติธรรมที่บ้านก็ได้โดยการที่เราไม่เสาะแสวงหาการงมเข็มในมหาสมุทรเนี่ยเราลองคิดดูว่าใช้เวลานานขนาดไหนกว่าจะหาเจอเข็มมันตกหลังไปในมหาสมุทรแล้วแต่เรามีโอกาสเจอไหมมีแต่เราต้องคิดว่าระยะเวลามันยาวนานแค่ไหนละ่ะกว่าที่มันจะเจอเข็มที่ อยู่ในมหาสมุทรให้เราดูดน้ำออกทั้งมหาสมุทรบางครั้งเราอาจจะไม่เจอเข็มก็ได้เพราะมันไปโดนน้ำซัดพาไปถูกดินทับถมไปแล้วทำให้เราอาจจะหาไม่เจอก็ได้ก็เปรียบเสมือนผูป้ปฏิบัติเช่นเดียวกันถ้าเราไม่ระดึกตึกถึงพระธรรมขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่ใช้สติไม่อยู่กับสติแล้วก็ไม่ใช้ปัญญาเป็นตัวตัดสินใจเราก็หาตัวเองไม่เจอเช่นเดียวกันชั้นใดก็ชั้นนั้นเพราะนั้นญาติโยมที่ได้มาสวดมนต์ทำวัดเย็นได้มาเวียนเทียนแล้วก็ฟังธรรมในค่ำคืนนี้ก็จะได้นำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางในปฏิบัติธรรมของเราในวันต่อไปข้างหน้าวันนี้เนี่ย เราได้รู้วิธีพิจารณาตัวเราเองแล้วว่าเราควรพิจารณายัางไงเราจะตามใจของเราไปยังไงถึงจะเจอก็อเปรียบเส ม, มือนงอมเข็มในมหาสมุทรนั่นเองถ้าเราไม่ใช้สติเราไม่ใช้ปัญญาตามไปเราหาไม่เจอแน่นอนเพราะนั้นก็ขอให้ญาติโยมที่มา ประพฤติปฏิบัติธรรมในค่าคืนนี้ทุกท่านก็ขอให้ทุกคนทุกท่านเนี่ยได้เห็นแสงสว่างในตัวเองให้เป็นคนที่มีสติอยู่กับตัวเองตลอดให้เป็นผู้ที่มีปัญญาแล้วให้เป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยธรรมขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคนทุกท่านทุกประการเทินเจริญพร